ความเร่าร้อนไม่มีแก่ใครพระพุทธาสิทธะตับธิโนอิโซโกัสสะวิปะมุตตสะสัพพิสัพะคันทปะฮีนัสสะปริลาโหนวิชติแปลว่าความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลถึงแล้วผู้ปราศจากความโศกผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงผู้ละกิเลสครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้ว อธิบายความความเร่าร้อนมีสองอย่างคือความเรา่าร้อนภายนอกหมายถึงความเร่าร้อนทางกายหนึ่งความเร่าร้อนภายในหมายถึงความเร่าร้อนใจหนึ่งในที่นี้ทรงหมายเอาความเร่าร้อนภายในด้วยอำนาจกิเลสความเร่าร้อนภายในเช่นนี้ไม่มีแต่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้วคือเดินทางไกลถึงแล้วทางไกลนั้นมีสองอย่าง คือทางไกลกันดานธรรมดาหนึ่งทางไกลกันดานคือสังสารวัตหนึ่งในที่นี้ทรงหมายเอาทางไกลคือสังสารวัตรซึ่งพระอริยเจ้าได้เดินถึงแล้วโดยมรคคาคือมรคปีองแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นผู้เช่นนั้นย่อมปราศจากความโศกเพราะความโศกซึ่งมีวัตตะเป็นมูลอันท่านตับได้แล้วความโศกทั้งปวงที่ท่วมทับมนุษย์ชาติอยู่ก็เพราะมีวัตตะ คือการเวียนว่ายตายเกิดคาว่าผู้หลุดพ้นในธรรมทั้งปวงนั้นหมายความว่าปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดมาผูกพันยึดเหนี่ยวให้ติดใต้อีกกิเลสเครื่องร้อยรัดมีการเป็นต้นหรือกามคันทะเป็นกิเลสก่อความเร่าร้อนร้อนทั้งตนเองและยังบุคคลอื่นให้ร้อนร้อนด้วยความริษยาความพลัดพรากความไม่สมหวังต่าง การเป็นต้นนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสเครื่องร้อยสัตว์ไว้ในภพเหมือนปลาที่ชาวประมงร้อยไว้ด้วยเชือกการเป็นกิเลสอันทารณุณอย่างหนึ่งในชีวิตของสัตว์โลกทั้งมนุษย์และยริชานทำให้เราร้อนกายเร่าร้อนใจอยู่เสมอความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลคือสังสารวัตร ถ, ถึงแล้วถึงปลายทางแล้วไม่เศร้าโศกหลุดพ้นไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวง ละกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งปวงได้แล้วพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ณสวนม่วงของหมอชีวกส่งปรารบคําที่หมอชีวกทูลถามมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้สมัยหนึ่งพระเทวทัตร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติสตรูจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าพระเทวทัตขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูดกลิ้งหินลงมาเพื่อให้ทับ พ, พระพุทธเจ้า แต่ช้งอ่อนหินใหญ่รับหินนั้นเอาไว้สเก็ษที่แตกจากหินอันพระเทวทัตกลิ้งลงมานั้นไปกระทบพระบาทพระาศาสดาทําให้พระโลหิตห่อทรงได้รับโทษเวทนามากภิกษุทั้งหลายนําพระาศาสดาไปยังสวนมทัทากุจิแต่พระาศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จต่อไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายนําไปที่นั่นหมอชีวกทราบเรื่องแล้ว รีบไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายเพสัตย์อย่างดีพันแผลไว้แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าประกอบยาให้คนไข้คนหนึ่งไว้ภายในพระนครข้าพระองค์ไปเยี่ยมไข้เขาก่อนแล้วจะรีบกลับมาเฝ้ายาที่พอกว้นี้ขอให้อยู่อย่างเดิมอย่าให้ใครแก้ออกจนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหมอชีวก ไปทำหน้าที่ของหมอแก่คนไข้ของเขาในเมืองเสร็จแล้วรีบจะออกมาเฝ้าพระศาสดาแต่ออกไม่ทันประตูเมืองปิดเสียก่อนเขาตั้งใจจะออกมาแก้แผลให้พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นดังนั้นจึงปลารอบกับตนด้วยความร้อนใจว่าแย่ yeah, จริงเราทำคำหนักเสแล้วที่พันแผลพร ะ, พระศาสดาไว้ดุดคนสามันเวลานี้เป็นเวลาแก้แผลนั้นยาเป็นยาอย่างแรงเมื่อมาได้แก้แผลออกในเวลานี้ ความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นในพระสรีระของพระพุทธองค์พระองค์จะไม่สามารถบรรทมได้ทั้งคืนเพราะทุกเวทนาพระศาสดาผู้มีพระยานอันไม่มีที่ติดขัดทรงทราบความคิดของหมอชีวกแล้วตรัสเรียกพระอ น, นุลมาให้แก้แผลเมื่อพระอ น, นุ์แก้ผ้าพันแผลออกแล้วแผลนั้นหายสนิทเหมือนสะเก็ดไม้หลุดจากต้นไม้หมอชีวกรีบไปเฝ้าพระศาสดาแต่เช้าตรู่ ทูลถามด้วยความเป็นห่วงว่าพระเจ้าค่ะความเร่าร้อนเกิดในพระสรีระของพระองค์หรือไม่พระศาสดาทรงทราบว่าหมอชีวกทูลถามถึงความเร่าร้อนทางกายแต่มีพระประสงค์จะแสดงธรรมเป็นปฏิการแก่การรักษาของหมอจึงทรงหมายเอาความเร่าร้อนทางใจตรัสว่าชีวกความเร่าร้อนทั้งปวงของสถาคต สงบราบคาบแล้วที่โพธิมณฑลนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาสิทธว่าขะตะทิโนวิโซกัสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น